ตนเองฝึกได้ยากพระพุทธภาสิทธิ์อตานันเจต ธ, ธากะยีรายะท่านยะมนุสษาสติสุดันโตวะตัะดเมถาอตตาหิกิระดุดดมโมแต่กว่าว่าบุคคลสอนผู้อื่นอย่างไรควรทำตนอย่างนั้นฝึกตนดีแล้วจึงค่อยฝึกผู้อื่นเพราะตนเองฝึกได้ยากอธิบายความ พระพุทธภาสิทธินี้มีลักษณะคล้ายกับเรื่องที่สองแห่งวักนี้ต่างแต่เพียงว่าในเรื่องที่สองให้ทางตอนอยู่ในคุณธรรมอันสงคูรก่อนแล้วค่อยสอนผู้อื่นภายหลังส่วนในที่นี้ให้ทําอย่างที่สอนผู้อื่นให้ฝึกตนให้ได้ดีเสียก่อนแล้วค่อยฝึกผู้อื่นตนเองนั่นแหละฝึกได้ยากพระพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่างอันดีมากสําหรับเรื่องนี้ตรัสอย่างใดทรงทําอย่างนั้นท่าวาดีต่ท่าการีทรงทํำอย่างใดตรัสอย่างนั้น ยะทากาลีตท่าวาลีทรงฝึกพระองค์อย่างดีแล้วจึงทรงฝึกผู้อื่นดานโตโซภควาตรรมะทายธรรมังเดเสติด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงประกอบพร้อมไปด้วยธรรมแห่งผู้กล้าเวสารชาชกัณธธรรมเพราะไม่ทรงมองเห็นช่องที่ใครจะทวงติงได้ทั้งในเรื่องศีลสมาธิและปัญญาทรงเป็นตัวอย่างอันดีแก่พุทธสาวกทุกหมูเห่เราในสมัยปัจจุบันระมักได้ยินเสียงบ่นเรื่องทุจริตและความอายุติธรรมในสังคม แต่คนที่ชอบบ่นชอบบ้าคนอื่นบางคนพอตนมีช่องมีโอกาสเข้าบ้าก็ทําทุจริตเหมือนกันพอตนโนใหญ่ขึ้นมาก็ประกอบกรรมอยุติธรรมเหมือนกันคนที่บ่นเรื่องทุจริตแล้วทุจริตเสียเองเมื่อมีโอกาสนั้นไม่ควรบน่นไม่ควรพูดอีกต่อไปเพราะตนก็ไม่ได้ดีกว่าเขาเหล่านั้นฝึกตนเองยังไม่ได้ปราบตนเองยังไม่ได้จะฝึกคนอื่นและปราบคนอื่นได้อย่างไรทหารที่ยังฝึกตนเองในแบบทหารไม่ได้จะฝึกทหารอื่นได้อย่างไร เบื้องแรกจึงควรฝึกฝนอบรมตนเองเสียก่อนโดยปกติการสอนผู้อื่นนั้นง่ายกว่าการทำเองการสอนให้คนอื่นละกิเลสย่อม ง, ง่ายกว่าการละเองด้วยเหตุนี้เราจะเห็นว่านักสอนนักพูดนั้นมีมากแต่คนที่จะสามารถปฏิบัติตนได้อย่างที่สอนอย่างที่พูดมีน้อยสาวุทั้งหลายจึงมักอ้างาศาสดาอยู่เนืงนิดว่าพระศาสาศดาตรัสว่าอย่างนั้นอย่างนี้บุคคลผู้มีใจเป็นธรรม เมื่อติเตียนผู้อื่นในการกระทําอย่างใดก็ไม่ควรทําอย่างนั้นที่เตียนกรรมอันใดไม่ควรทํากรรมอันนั้นแบบที่ว่าจงทําอย่างที่ฉันพูดแต่อย่าทําอย่างที่ฉันทํานั้นไม่เอาคืออย่าเอามาใช้ไม่มีใครเขาเห็นดียกย่องผู้มีปัญญาเมื่อฝึกตนเองได้แล้วก็ควรตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นช่วยฝึกผู้อื่นด้วยอย่างที่พระบรมศาสดาเคยทรงกระทํามาอย่างอะไรก็ตามท่านว่าตนเองนั้นฝึกได้ยากตนเองนั้นล และคอยให้อาภัยตนเองอย่างไม่รู้สิ้นสุดให้อาภัยในสิ่งที่ไม่ยอมให้อาภาัยผู้อื่นถ้าคนอื่นทําก็เห็นเป็นผิดมากแต่พอตนเองทําอย่างนั้นขาบางก็คอยหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองช่วยตัวเองตนของตนฝึกยากเพราะอย่างนี้เพราะคอยอคติเข้าข้างตนเองไม่ยอมลงโทษตนเองอย่างที่ต้องการลงโทษผู้อื่นใครมีใจเป็นธรรมติเตียนเองในสิ่งอันควรติย่อมปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นดนเสมอเพราะฉะนั้น พระศาสดาจึงตรัสว่าอัตนาจโจดยัตานังปฏิมังเสตะมั ต, ตนาโซอตตะคุตโตสติมาสุขังพิกขุวีหะหิสิแปลว่าพิสุโจดตนด้วยตนเองพิจารณาตนด้วยตนพิสุผู้มีสติคุ้มครองตนได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขดังนี้รวมความว่าทรงสอนให้เป็นโจดจำเลยและผู้พิพากษาด้วยตนเอง คนผู้มีหิริโอตตะปะย่อมมีความละอายที่จะให้ใครมาโจดและพิพากษาตนแต่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องปกครองตนเองได้หลักความจริงมีอยู่ว่าคนปกครองตนเองไม่ได้ย่อมถูกปกครองคนปกครองตนเองได้จึงได้รับเกียรติให้ปกครองผู้อื่นการฝึกตนเป็นกิจของบัณฑิตเป็นกิจที่พระศาสดาทรงสรรเสริญถึงกับทรงยกย่องว่าประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ดันโตเซโทมนุษย์สุเท่ากับในหมู่มนุษย์เดียวกัน ผู้ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุดบัณดิตย่อมฝึกตนอาตานังดมยันติปันดิตาวการฝึกตนย่อมทำให้ผู้ฝึกดีขึ้นไปเป็นขั้นๆจนถึงขั้นสุดท้ายคือฝึกตนให้พ้นจากความหวั่นไหวในโลกธรรมอะไรเกิดขึ้นก็เพียงสักแต่ว่าเกิดไม่ให้ใจถูกครอบงาด้วยลาบยศสันเสริญสุขหรือเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาทุกบรรลุถึงความเป็นบัณฑิตที่แท้จริงเป็นมหาบรุษมหาปราด เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตาวันทรงปรารบพระติสระผู้ทําความเพียรมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เรื่องมีว่าพระติสระนั้นเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วพาภิกษุ ป, ประมาณห้าร้อยรูปไปจำพรรษาในป่ากล่าวสอนภิกษุเหล่านั้นอยู่ว่าท่านทั้งหลายเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาผู้ยังทรงพระชนอยู่แล้วจงเป็นผู้ไม่ประมาทบาเพ็ญสมณธรรมเถิดดังนี้แล้วตัวท่านเองไปนอน พิสูจนเหล่านั้นจงกลมในปฐมยามแล้วเข้าสู่ที่พักในมัชชิมยามพระติสะตื่นขึ้นจึงไปยังสำนักของพิสูจน์เหล่านั้นตื่นว่าพวกท่านมานอยกันอย่างนี้หรือจงลุกขึ้นไปทําสมณธรรมเถิดว่าแล้วตัวท่านเองก็ไปนอนพวกพิสูจน์จงกลมในมัชชิมยามแล้วเข้าไปสู่ที่พักในปัจฉิมยามพระเถระตื่นขึ้นตอนนั้นแล้วยังที่อยู่ของพิสูจน์ทั้งหลายเตือนให้บำเพ็สมณธรรมอีกภิกษุเหล่านั้นออกจากที่แล้วจงกลมตลอดปัจฉิมยาม ส่วนพระติสะกลับไปนอนจนรุง่งเมื่อท่านทําอยู่อย่างนี้เนืองนิดพิสุทธิ์ทั้งหลายก็ไม่อาจทําการสาธยายหรือธรรมะธรรใดๆได้ไม่อาจพักผ่อนได้ในการอันควรจิตก็ฟุ้งซ่านไม่สามารถให้ดิ่งลงในสมาธิพิสุทเหล่านั้นปรารพบว่าอาจารย์ของพวกเรามีความเพียรเหลือเกินพวกเราจะคอยดูท่านเมื่อคอยจับอยู่ได้เห็นกิริยาของพระเถระนั้นแล้วจึงกล่าวกันว่าท่านทั้งหลายพวกเราชิบหายกันแล้ว อาจารย์ของพวกเราร้องไปเปล่าๆไม่มีแก่นสารอะไรในคำพูดของท่านและในชีวิตท่านเพราะความเป็นอยู่อย่างลำบากเกินไปภิกษุเหล่านั้นจึงไม่อาจยังคุณวิเศษยอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นได้เมื่อออกพรรษาแล้วชวนกันไปเฝ้าพระศาสดาเมื่อพระพุทธองค์ตรัส ถ, ถามถึงเรื่องการบำเพ็ญสมณะธรรมจึงกราบทูลเรื่องของพระติสระผู้อาจารย์ให้ทรงทราบ พ, พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุติสระนั้น ทำอันตรายแก่ผู้เธอในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในอดีตการก็ได้ทํามาแล้วเหมือนกันเมื่อพิสุเหล่านั้นทูลอ้อนวอนจึงทรงนําอากาละระวากุกกุฏตชาดกมาแสดงใจความว่ า, วาไก่ตัวนี้เติบโตขึ้นในสํานักของผู้ไมิใช่มารดาบิดาไม่ได้อยู่ในสกุล ข, ของอาจารย์จึงมิได้รู้จักการที่ควรขันหรือไม่ควรขันพระศาสดาตรัสต่อไปว่าพิสุทั้งหลายพิสุเมื่อจะสอนคนอื่นพึงฝึก ตนด้วยดีเสียก่อนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบุคคลสอนผู้อื่นอย่างไรควรทำตนอย่างนั้นฝึกตนดีแล้วจึงค่อยฝึกผู้อื่นเพราะตนเองฝึกได้ยากมีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นจบเทศนาที่สุดทั้งห้าร้อยรูปได้บรรลุอรหัตผล